เรื่องเขาเป็ก็อพระญาณ่ก็ระยะหลังจนกหลวงพ่อัไปแล้วยกไปนําทำอาหามาถวายเองเก็นประจวันที่จะเาอะไก็เล้าวนมาที่แล้วนะถวายแล้วไม่ได้บอกนลวงพ่อพอเินทางมาท่านกบอกว่าล ผมเดินมาหาภาพันเข้าของวัดเาเรียนว่าไม่ไมรรมดานะก็เรียนถามว่าเป็าอะไรกักกันธรรมดาแล้วที่อื่นเห็นวาภาพล่างเาดูเต็แต่ที่วัดภาพสูงไม่มาพ่างเพราะเรอบมันมนดูเต็มมาใจนะเอ Ha, ha, ha, ha. eso เจ้รเขมะามาาก็จะทำม่ได้เสร็จดีนะฮะเราตัมายาจริงดีเอาแต่เราบอกอย่างนี้ว่าว่าฝากน้ำดีๆก็วันท้องดีแท้ถ้าไม่ชงแท้ก็อยู แล้วมก็เลยถานว่าอะไรทักไปแท้ท่าลบอกว่าโสนะเจ้าว่าชื่อผมเ็นตอนเป็นแฟนกาโสดชื่อชวัฒน์เป็นตําบินาบานเงินทองไหลมาเทมาก็มาทำกรรมฐานทำกาและวมีลัคนายไปแล้วก็จะหโสดอยู่ที่เรือรณะชวัฒน์เ็บาบามีลงหรวงเงินอไหมาไปมา เวลาเทศบาลอื่นนี้ก็ถือว่าแรกนิยมเวลากระถิ่นนี่ก็มองว่าข้าวต้มถ้าภูเทพไปได้ชอบไปกิน้าวต้มยูรีใช่ไหมได้มาเหนือหลับมาเขาก็กินข้าวมาูรีเก็เลยถามว่าเด็กไปข้าวต้มี่ไหนเขบอกว่าไปก็ดสันน้ำแล้วลับบูหล่ะก็ไปว่าข้าวล้คเหนือจะไปเทศให้จมาแล้วแ่่เกาเรือก็ถกว่าเนี่ยเพราะว่า ันมีนีอจากคท่านแม่ิมโอ้โหราเป็นเป็นพันแต่ว่าต้พูดอะไนนะมันไม่ได้เป็นเรื่ว่ามาายข้าวเมาเราต้องจับาลต่อแ้าเอาเอาแก้วน้ามันด ผมนกวอาบน้ำร้อนมานานคงเย็นแล้วมัไม่เย็นนะใจร้อนแล้วท่านเคยบอกว่านี่ตุลละมาหมายเรงพระองนี่หมายอาบไลีันจะแล้ีนัจะลืมนะไปละข้าหลวงนตงไปเลยจับแขนเสียหายได้เลื่นมาเลื่อนมาข้ัดขนมาเลาจะไปออ จะหนักขนาดเลยไป่ว่าอไปจะมีคุณค่ามากตั้งแต่แบบมีเสียสายมองสูญหายเกย์ไเกย์เพราะว่ามีข้างมาตุ่นเส็จสมองมัยนยันไงนะที่มันพูดอย่นี้ได้ใครจะว่าไงแต่การ่ข้าวโพดใจก็อย่างนี้เพราะายจะให้กินอะไรอย่าเลีกไดเลยได้เลยไดเลย ก็ลองมาฟังใจก่ออะไรโดยว่าอย่างนี้หมายถึงมึงวัดมันไปไปที่วัดก็ะดีนะถ้าราโลเราะว่าถ้ราละี่ะถ้าโลเห็นผู้ที่เกิดาดามสวยมันว่ท่ก็ห้าสห้าสิบเตอนั้นยังหนุ่มๆแม่หนท่ไม่เก่งอม่แต่พอที่ไปวัผ้านไปที่มานแก้วร้อยเมตร เขาไม่เห็นเขาพูดแต่พูนาราฉนเลยต้องบอกว่าันเชื่อร้อนกัเลยว่าเทวดามีจมาบ้านเอจริงอย่างว่าถ้าคุณพูดว่ารรมดาเป็นรัด่างวัดบงแต่ส่าบอกว่าก่างบนนะมมแ่อไม่รู้นะแล้วถ้ากบอกว่าเนี่ยอาจรอมเชื่อว่าล้อ ว่าถ้ามนจะข้ามไปดีข้ามบนมาด้นไม่มีทางเพระไม่มีทางมีทางมีแต่ไม่ไม่มีติดมันจเปี่ยนต้องเด็ดไม่ยงเด็ดเด็ดเทางมันมีพราะมันมีทาง้านก็มีแต่มีทางเยอะๆเยอะๆที่มันมีทางเมือกมีทางใช่ไม่ต้องรอจะมี แล้วเราเอีก็จะบอกว่าในแต่าะวันนะแต่ก็เลยบอกว่าสลลัพธ์คือว่านี้ว่าค่าปริมาที่ทำบนบนต้นทนี่รักพาะทั้งทั้งเทวดาเจริอยเาเป็เพราะนั้นวัดนี้นต่อไปจะมีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างนี้ท่านแนะคือโลบายว่าการที่จะไปทำบุญกับหลวงพ่อหลวงปู่วัดพรเทวรแล้วมีเหรียญจะมั่นมา เด็กใม่ก็เรียนงานนี้แ้วนะตอนนี้เรียนอะไรก็เรียน n นี่ยไม่เลยเลยคุณตัวหไม่แขงขายได้เหมือนกันแน่แล้วต่างกันคุณตอมนั่งอบล้อตรงข้อรอบาวนะใช่ใช่ผมรอบนีนี่นี้เป็นนือยต่อยเลยนะเลื่ต็มนะเขาเรเป็นนี่เงียบนะใช่ใช เราไม่่าน่และนั้นก็้เรารักว่าเพราะขน้าราชกกใบ้งานจริงคือแบบจริงเหรอถ้าบอกวัน้ว่าข้าจะไปเท่าจะไปทำมุ่นจะไปเท่ารักมหาลากทำข้าวแบหลวงพ่อฤาษีวัดพรลุมนะก็ได้เห็นมาหน่อยใช่ไหมผมมาก็จะมีถ้าเราเอาไป้องแล้วถ้าข้าราชีู้หญงนูมามาเข้ามา วุณล่าไป5้บาทไปห้า้าองคดีล่าเวา้ไนให้เขเดียวสบาทแล้วก็ออกมาแล้วไปต่อแถวที่รถเซ็นสิก็ได้ไม่ได้ห้าอเพราะว่าถ้าข้าไเดียวห้าสิบนะได้องเดียวแล้วไดน้ำร้อนสกันอ่ผนว่าหหัว มันีใจก็เหียบเรียบดี่ล้วครับผมฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าแล้วก็ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ว่าติยกโคมันปัญญามากไปลืมไปว่าไอโคมาให้เท่าห้าสิบบาทฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ อ่าครับเนี่ยไปดทุกวันทุกวันเรื่องเรื่องแต่ที่พูดก้พูดเฉพาะว่าเรื่องเกี่ยวกโยมพระธรรมภาพมหาลัมีมหาลักษมภาพนะแต่ว่ารยะนะเขียนว่าเออดูใจดูว่าโอมไหนที่รักตัวมือยุงพ่อนะไปยุงพ แต่แค่กรงองานจะเหนื่อยนะแ้วขอให้ใคให้ใคองค์เดียว้ากยังีั้แมนะก็แที่ใดก็แล้วกันแจริงๆก็ตัองค์ับองค์องค์ีั่ก็ก็้าสับราแก่ราแกเลยหงอหลวงปู่ดันนัชคอ้าพระก้วน คือเวลาเรื่องเยอย่างไรก็งที่ท่านพูดปในนายก็กำลังตรงตรงกันผู <c ười> ้เรื่องเ่ก็ไปนานว่เรื่องก็มหาราชสำนักก็ตรงไหนคุณได้กคุมตงไหนะแที่บังกเป็นายคนนั้นมา้คงดลยมากแต่เลยอกว่าเขาบอกว่าทอาินหนักไ่นจะเปเท่าัจริงเรื่องมเรา แค่จะง้อรเปล่าแหมของว่าที่นักสมัชจาิยธรรที่ดูแกลงก็ทางานโค์การไฟฟ้านะไม่มริสุทธกว่านัเลยไฟฟ้าน้ำมาดวยการยกโวยน้ำตางนะเหมือนกันหกดวด่นก็ทั้งหมกมืแต่ไปนับต่อได้ยกผมก็ไม่เท่านะจากไปเท่าเงิงออไปหนึ่งลายไปเจ็ดหมื่นแหมวนี้ยกลวมเอาไปนะถ้าดีนะเงอก็ต้อหนึ่งต้อแล้วกคือนับไปเท้าหเลยเจ็ด่ แ้วมาเตือนให้เ ja, จ้ามาเอายืนพ่อมาเอายืนนะฮะรุ่นร้อยแค่สามร้อยตัวคนนี่ก็เป็นเรื่องของเอ่อต้นไทรสัตว์นี่คือที่มาสิเล้าเอาแต่ร้อยแค่นี้จะเป็นสัญญาณที่มีการสัญญาไว้ก่อนจะต้องสัาทีเก่งเยอะเป็นรอยต่ออ่าเดี๋ยวจะเอาเอาอืนะ เราว่าตาพระธรรมสาระเดชสมุลกพ่อมีกระสับกระส่งเมื other other time, so ่อวันที่เก้าพัาทรงททาง้าวมหาลารนท่านลกไม่มีโอกาสที่จรุงนดหนึ่งและหลายๆกหลาหลานก็มาเดินไปก็ไม่ได้ไปแต่ก็ฝาจะไ่ขับู่วโนสนาด้วยแต่ที่นักบากีอหลานก็คือว่า ก็อยากจะถามหลวงพว่าวันนัมีอะไรที่เต็มที่อจะเล่าให้ผู้ถามฟังได้บ้างไม่เช่นขาหอไฟดับเนต้นเดือเปล่าแม่ไม่ได้ไปจะรู้มนก็อยากไปเลื่อนไงไปเลืいい่อนระอาาย์มอมให้จับถ้าเพิ <c oughs> ่ไมเรื่อาบนข้างเขาหยับไม่ได้ใช่ไหมให้ันะ อันเดียวใส่กันลูกสามเป็นบ้านเปเดียวตอดีกว่ากันแต่เขม่ส่กั้้ครจะเลนรบ้างไอาันะเอ่อมือานนในงานนัดนะีแม้เยกันจ้ยกน 3ารแื่เยอะเกนที่ตั้แตทปเป็นานายเยือไป่เรู้การธดาปิดละตันที่แล้วมแล้วนผ่มาผ่านมาเมเวลาไปใช้คุมนไจมารีนส้นไตเขี้ไตตันไ้พอดี เพราะว่าถ้าปาิบัติคาข้าวยืนก็ดีตัดีารหาหมากัดีคำ้าวยืนเลยดีโอสัรุดดังเอกนะ่ะไดูเพ่อนเขาเลยพูดขั้นเท่าสองอใจขึ้นมาต้องด่ามากคู่นัยใส่ฉันไใส่ห้าในขณะเพื่อนใจได้ใส่ตัวเลื่องๆใส่ใจเลื่องในจตให้ามไม่ได้เสมด เราเดิสุกภูแล้วก็อญาเดได้แตดิได้ไปก็เ็นอ็งกมดัดใหญ่ไปเลยเต็มหมดเลยปฏิหารนะเหนื่อยๆเหนื่อยสุดๆนะพระเ้าถ้าพระเจ้ามีพร้าเตงเทวดาเจ้าก็เนต็มันไเห็นความวิตกเลยดังหมดแสงนามาพระเจ้าแสงเปลี่ยนเป็นสสี อันแบบว่าอัแบบเส้นอันแบบว่าคุณไหว่ปดิบเหนยไปขึ้นไปเลยขึ้นไปเห่ยแล้วพวกอย่าก็ยเลยจใจอย่างเปนเลยเลยนะว่าเรามนอใช่ตลอดเลยตอนทีขึ้นแลวว่าเครื่องนือยเป็นการเดินเพราะรทำยากตัวทุกอย่างทาทุกอย่างน้แต่ตอนัขึ้นไปเยแล้วก็เปลี่ยน เดินไปไกลยาวยังล่าต้องกันต้กันต้องยังด้องล่าเลยไปตอนล่าจะดีไปยังไงครับตอนล่าจะดีจะทำให้ดีดสายดีแทงขึ้นขึ้นพุ่มเลยกระจายพุ่งไปพุ่งนทุกคนที่มันอ๋อกระจายจะองเกดไรจล้กออหรอป่งมันไม่โดนดักเลยถ้ามการไปดักมันแทงกระถางที่เข้าสิดเลยตัว เขาดูเขาถามเลยเขาดูเขาเลยไปแบบั้งเดีเลยาดีเลยก็ที่ไปบจะได้อะไรไหม้เกนเําะเขาเอาน้ำใส่เอาน้ำมาเขาเจ้าใหมนะอันนี้เราเพื่อนเนาะแต่เราเพื่อนเพื่อนเาะอันั้นเราน้ำใหมมากไอ้ที่เป็นใหม่มาใส่มาประจำเนาะน้ำใส่ระดับไปตรงภาษาว่าอะไรป้องกันก็้าวดเทยน ถ้ามีกามจำเป็นไม่อถึงว่าถ้าเด็กปวยมาจะมองไม่เห็นตอวเอ้ยสมมติว่าจะป่านใบแดงนี่เราก็ถ้าผ่านใบแดงนะเราไร้ไร้ทำให้เราไม่เห็นเตอรเลยเอาหลักตาไปดิ ใคตก็ไเรื besar, ่องใครติดไ no ่ชตามกฎหมายก็มันเดือดที่ใครไม่ใช่ท่านหนุนขายนช่ไมองมากสุดไม่ได้ลึกถึงพระนั่งีบมาทนเพราะว่ามันกกว่ากัจจายนุเรื่องเลยเท่าไรเงิักเลยท่านตายคนได้ถ้ากลับมาปกัเดีย ขอเพื่อนในการต้อนรับใช่ใช่เขาติดนาัได้เขาติดตาลากูหน้าเพื่นหมาไปแล้วพ่อู่ด้านหลังนี่กาเพื่อนขาต่เออเออเ็เต็มเต็มเต็มเ็มเต็มเต็มเเต็มเต็มเต็มเต็มเต็เ็มเว็าเต็่อตมเร็มเต็กเต็มเต็มเ็มเต็มเตมเเ็เ็เมมต ใ้ากิดเกิดะรวก็เลยผสมเล่นเล่กันยินกับเพือนเลนเพลมาแบบว่าพระของขันทุกอย่างที่เกิดก็ได้ไม่อาย่างเดียวเจเราไม่เกิดเลทุกอย่างก็อยู่กับใครเรดีให้สังให้เรียนได้กับคนตามมักขาดตลอดเวลาเท่าใคใจไม่ได้เราไม่บ่งท่านแต่เราดีโดยเดานะตามอกยไม่บอกก็ อย่างกตัวเขาบางทีเนไปรักใครก็ไาใจหายถอยเขได้ทางทางนานทไมเวลาเราหยุดคนมันจะมาอย่างนี้อ่เราอกาคั้เดียวอยอวันนี้ก็ดก็ได้ได้คหยุดมลาจึไปลงมาจะเล่น่ั้ ตุ๊กตุ๊กเลังคดตังค์นี่เออตังคจด้เินกันตู้ตู้เก็บเงินดือนตูเกมันบกันเื่องอะไรเอะตังเรื่องนีว่าเ่ครตัสองพันห้าร้อสามนะจำได้หมท่าไปดูรันโกสินทร์นากมันมีจุดเยอจุดส่วนสัลมันมีเวลาย่อมย่อจงน่าใส่ขึ้นมา ตอนนอนไปเวลาเล็กสื่นขึ้นก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเขาเาผ้าคาดข้างข้างเขาจะนันนอนนะฮะก็ได้เที่ชายรับผ้เดินไปใส่เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมันผู้หยิงใส่ไปเลยอ่านาน้าใส่ชายคนนึมันนั่งเขาก็เลยใส่แตาตอนตีสองมันเจ็บตรงข้างเลยเจ็บจมื่นเจ็บตหลังเลยเนื้ตาไม่เห็นใหญ่ขนาดนั้นนอนเลยเจ็บตข้าง จะลงไปเปนนายก็ได้ถ้าคนคนหนึ่งสี่คนโซนาร์สีนอะไรเอกสาใช่ไหมที่จะเป็นนาได้แต่ถ้ายครเขาไม่ได้เข้าลปเขาจะไม่ไดาไปไล่ปีไปเขาก็ทาอะไรลข้ามาเลยไอ้ท่านเลยทลานเลยบอกว่าไม่ต้องขึ้นไม่ใช่มาแล้วดุใครกลจับมาแล้ใครก็ทำอะไรไล้ไงไม่ได้แล้วก็ตายนม่้ เราเรียให้ใใจเราเหยดาวตะเงไปวงมาไม่เอาแค่สัญลักษณ์อะไรพวกนี้อะไกันถ้าาปดีไหมต้องมาไตพูดหน่อยใช่ใชแหมธรรมดาที่แบบเขาดึงเงินไว้เงี้ยนั่นโไปอมกมาตัดคำแต่นี่ก็ต้องบอกว่าท่ยนเยอเลยอ่าเรื่องข้ามหาราชกองท่านี้อ่าพุทธทาสพรกแม่พระพิจิตรและพระต่อษไปนี่ก็เหมือนกันเหมือนกัน อาิั่อยเอกหน่อยถ้าพิจาณาเขาเขาไม่าแบง่กเาแคเที่ยวโอ้เขาเปประาเขาไม่มาจีบมไนอ่อานก่งางเียบบยาเป็นวช่วยงงหนอยเล็กน้อยโกงแล้ว ไปมกติก็ต้องไปช่วยประจนะอางนี้กนอย้ไแตงกวาอะไรน้ำซุป็ตาหายไปแล้วอ่าอเรื่อยไปแบี้วันนั้นเขก็ไปช่วัด้วยแล้ว่าก่อนจะไปเขาก็เขาบอกว่าจะไปจะไปช่วยงานเขาหาลาบทาข้าวต่อไปรูปดีพีหน้าตัวแค่กระเขียสวยสงเด็จไปสองหางทึ่งมันคือคือแค่าูปฟอสุกใสบนที่เก้าแค่แตงเก้าสองเก้า 500รอยบาทไม่ดินะไม่ในวงดีแล้วแก็ได้ส่ไ้องขนาดก็ได้ส่ได้เพาเราดูแล้วว่ามันจะเป็นต้นว้ามีี่มงหัอดีนะแกก็เลยแพแทเก้าสี่เก้าคนสุดท้ายูงห้ารอยบาทก็คนที่เกินแล้วนะห้ารบาทก็ได้สองแสนสองสอแห้าได้หนึงห้าร้อยเล่นีๆรยเนาะโอ้งกันนะเออเ ร่างกายจะมีเรื่องมือถถวายแล้วก็ให้แต่เกียวหงพ่อไม่ถึงเลยใช่ดีากเลยเมื่อ้ามันจะให้เคองเสกี่นอตรงนี้ถ้าจะเขาเขาเชื่อไนี้กเปล่ยที่จะให้เยอะไ้วเรีนเยอแล้วทำงานตาอด่าอเป็นเป็นเหมือนกั้าจะต้องถามด้ว่า แหมทำมยกโภตัวห้างตัเดือนแม่ขึ้นไกินเลี้ยงให้นางมาด้วยเดแม่ทมจะเข้าไมก่อนนล้วก็มาหาราบเนหรอไงไม่เขเลยบามีันต่างกันเรามีเลยมึงถึงจะแอ้วบามีขั้ใต้ดีนเราอยู่เนตางชาติข้นใต้ดู้นไม่ด้้วมึงถ ยังทุกคนจัดธาด้วยเ่กันว่าถ้าหันถ้าเรหันด้วยกันหันนะถ้าัธติ้นนานตัวเรืองนั้เงหลังรู้นะพระเจ้าเอยาเดียคือมาารระเย็นจอทำไมตรงน ไม่ัง <watering> ม่เลยตัวยัไม่อยู่ใกล้แต่เมื่อกหมดเพะไรีถ้ามีเขามาอยากจะรบกนเขาแล้วตอไปเดยนะเขาจะเปลี่ยนวนเลยใช้งังคอแบบไม่หนุมเายาย้้เเล็กอรอันน้นยายอไ เวลาโดกจัเป็อนกนเกในใจเดินเปาเดินเดินป็นางกามาาอใจขเรายาไปจยาวีว่ายังทำใจวิจารณ์เพราะวิจารณไม่ถึงใจอาจารย์มีเ่งที่เปศาสรท่านคจวิ่ใจเราปนมาพุทธิบุรุดีกว่าที่ใจเนี่ยอาจารย์เราเ็กแบบนมเลยนะ ในเครื่องแบบเหล่านันใจตามลังนะเพราะมันเป็นการเรียนมาที่ตัวจะเป็นลูกเจ้า l ันยากมากเลยนะแต่บางคนเรามีอย่างน้อยสีข่สกับปัญญาอุา์ใช่อาปัาอุตาแต่เสีงเข่าสียงกัดปัญญาอุตส่าห์ที่เกิดเสียงเข่าเสียงกัดแต่บางคนเรมีอย่างธรมดานันอยข่าเส้ยงัีแ้่เเขาจะเกิดเปาลูกดีแฉะหายแบบเล่นเลหลง ไม่ได้ใจเรทำายามยังหมไม่ได้ครับเาจะทำยัจะยพื่อนง้นเยอะเรื่างก็ไม่ยอเราต้อเียนะอจารน่นังมากแตนี้เรยนย่อายน่นดัมาแต่เมื่องนี้เรียนยังไม่จบนะ้็ส่ใถามอะไรพ่อครับทไมเยผมเลหน้าเดินหลังเพาว่าเวลาจะให้ใจเดินหน้าเลยจะที่ยังไงแต่ไม่อยากเป็นเรื่องยากก็มอยากเปากที่ให้เหน้า เยอะกว่าที่เรียมาเรืนี้ก็เยอะมกมันเยอะเรื่องนีก็คิดเยออะยว่ามายมันหมเันต่วมยะาเขาจมัต้องมเล็กๆนกแตกนอยเล็กๆธรรมาเนีจก็แสดงว่าา่า เราต้องให้เปลียนแกองค์ที่ว่ามัใช่เอ๊ะนีเวลาพรวัดพระคุณสังเวยนะก็ตั้งใจว่าเรา่านาพุทธภูมิอย่แต่ใช่ใช่ใช่แตื่นขึ้เขาไม่ใช่ทั้งตอนตื่เวลาันเันขันเวลาันขันเวลาที่ตื่ี่สินาทีชาติจะเึงเลยเันเลยอ้าวไปไหนหายไกันตัแต่่ แล้วก็สันลมกันไปงงนะวก็ผันลมกันมันผันผันเรื่อยไปคือผนกันก็ใ่าจะจร่วมบ่าก็จะมาเสใจายายย้ายตัวเาามวแล้วจรจริงไม่ใช่เพื่อเพื่อเพื่ออาหารกินเหมเพื่อไหมอะไรทันต่อออกมาโอเคผมเลยแตได้ เราก็้องมาตั้งแต่เราจะเริ่มน่าเราดูนี่น่าจะหนมากกว่าอ่าทนี้ก็น่าถ้รามหาลากันแล้วเรารู่นี้ก็ทำให้เาได้แค่ได้รู้ทกาบเอาละก็ไปใจใสๆก็ยังช่วยช่วยพยาบาลยังช่วยพิการอีกอาจจะได้ต่อได้ก็ได ก็เล่ราษสมัยตอนว่าเคยรับทำข้าวแล้วก็ใส่แก้โต๊ะไปใช่ลุขึนก็อะไรใช่ยังไม่ล่ืมมีเสียไปตามอสองอย่างเลยถ้าเป็นงานว่าเรื่องมหาลาหรือว่าเอ่อับตะมือหลวงพ่อตัวเองหรืว่าข้าไปจะดีก็พยายามเก็นไว้โดยเี่้อไม่ละเลยได้นะเก็ไว้แล้วก็ไม่นานนัก่นานนักแล้วท่านก็จะลืมแต่ว่า เขาบอกว่ามหาล่าชสวบ้านมีเงินเล็กนิดหนงเมื่อ่าที่เราไปนะได้ผลนะใช่ไหมถ้าอาจารย์ดีผมก็ไปจากคุยมันอคุยอะไรหมวงพี่นนก็ไปนั่งร้านให้เก่งไปเอาแล้วก็เอวันก็มีเวลากลางแล้วยอะๆนิดเดียวดะใ้าด้วยไม่แค่เพก่รนแต่ไม่ต้องเเทียวมานะ เขาคิดจะเจ้าตัเอพระคุณลูกเจ้าตัวองก็นิ่มดเาได้เป็นนิ่งหมดไม่ถือท่านใช่ใเต้าไดคนก็ด้เ่อไม่ถ้อเท่าขาเอาอย่างคนทีแค่มันมีความยุ่งยากขายดีเดียวก็เลยวันผลเป็นห้าเป็นเท่าก็เท่ากิพร่กขาดก้าท่ากขายดี 7, อ anyway, oh ัน้ไม่เจดพนห้าผมเพิ่งน่าหาลโอ้โหเารย้อน้อยไปบ้าเลยมีหน้าจิบ้านัพามาคอยขายของเล็กๆหวยแบบโอ้โหแล้วเลยว่าคนพาที่แต่งว่าดังนั้นกรรมยาจะตานเคยมียานไม่เหมือนเลยเนี้ยก็ไป่ันว่าจุดเดียวอย่างเดียวมันหายได้แล้วหา ไปตัดดึงใจแล้วเนี่ยสอหรับเรียบร้อยแปดองค์เนี่ยใครยังเลี้ยงคนได้ใครรู้ไปอะไรควรทำเุกอยางท้องทุกใคเ่อยฮะอยฮะฮะฮะฮะฮอฮะฮะฮะฮะัะฮะฮะฮะฮจะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะะฮะฮะฮะฮะะะ